กล่าวคือปัจจุบันในวงการชาวพูดบางส่วนมีการใช้ถ้อยคำสํานวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแง่จริยธรรมกันบ่อยเช่นว่าคนนี้มีอัตตาแรงลดหรือทำลายอัตตาลงเสียบ้างเขาทำการต่างๆก็เพื่อเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาดังนี้เป็นตน้นซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช้คาพูดอย่างนี้บ้างหลายแห่งความจริง คำว่าอัตาในกรณีเช่นนี้เป็นสำนวนพูดอย่างคนรู้กันหมายถึงความยึดมั่นในอัตราหรือภาพอัตราที่ยึดถือไว้ด้วยอุปาทานเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีอัตราอะไรอยู่จริงจังเลยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดสั้นๆแบบรู้กันอย่างนี้บ่อยๆและแพร่หลายออกไปก็มีผู้ไม่เข้าใจความหมายโดยนัยะแบบรู้กันเช่นนั้นแล้วนาไปใช้สับสนจนอนัตตาที่พูดถึง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 ว่าทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่คํานึงถึงประโยชน์ของตนเองไม่ได้ทำเพื่อตนเองไม่นึกถึงตัวเองหรือไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนเลยกรณีนี้คงถือได้ว่าคนผู้นั้นไม่มีอัตตาและภาวะเช่นนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าสับสนเช่นกันตัวอย่างทั้งสองนี้มีผู้เคยยกขึ้นพูด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 ไม่เป็นาธาตุของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าปัญญาวิมุตต์คือความหลุดพ้นด้วยปัญญาโด ย, น, ยนัยนี้อนัตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการมีตัวตนอยู่หรือรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่และตัวตนนั้นมาหายไปหมดไปหรือตัวตนนั้นเข้ารวมกับอะไรอะไรอัตตาถูกกลืนหายกลายเป็นภาวะอย่างนั้นแต่ประการใดเลยส่วนตัวอย่างที่สอง เป็นการพูดถึงความไม่เห็นแก่ตัวการหมดความเห็นแก่ตัวหรือการหมดความยึดมั่นในตัวตนซึ่งก็หาใช่อนัตตาไม่แต่มีส่วนสัมพันธ์กับหลักอนัตตาอยู่ในแง่ที่ว่าการมองเห็นความเป็นอนัตตาเป็นเหตุให้หมดความเห็นแก่ตัวหรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได้และจะต้องสำทับว่าคนจะหมดความเห็นแก่ตัวได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ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 อยู่ที่ตรงนี้ต่อจากนี้ถ้าใครยังอยากเรียนรู้ต่อไปอีกก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ยิ่งขึ้นไปเช่นอาจมองว่าอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วหมดความยุติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ศรัทธาทำให้เกิดพลังจิตน้อมดิ่งไปในวัตถุแห่งความเคารพ บ, บูชาทาให้จิต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 ภาวะที่เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับบรมสภาวะหรือบรมสัตว์เช่นพระพรมประมาตามันหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นนี่แหละคงเทียบกันได้กับนิพานในเรื่องนี้พึงระลึกไว้ว่าแม้แต่สัมโนนพูดที่มีอยู่แล้วในวงการของชาวพุทธเองเช่นว่าเข้าสู่ปรินิพาบนบรรลุอมะตะมหานครนฤพานเป็นต้น ก็เป็นปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขทำความเข้าใจป้องกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยู่แล้วไม่ควรนำเอาข้อความสำนวนเร้นลับที่ยังคลุมเครือมองได้หลายแงย่เข้ามาเพิ่มความสับสนวุ่นวายในการชี้แจงทำความเข้าใจให้มากขึ้นอีกตามปกตินั้นพระพุทธศาสนาชอบพูดอย่างง่า ย, ายตร ง, ตรงเมื่อกล่าวถึงนิพานก็ว่าเป็นภาวะดับกิเลสได้หายร้อนจิตใจหลุดพน้น เป็นอิสระไร้ทุกข์ผ่องใสเบิกบานไม่ติดข้องไม่ถูกครอบงำรัดรึงผู้ทำนองนี้จบแล้วก็พอกันไม่ต้องไปรวมไปกลืนหายเข้าในอะไรอะไรอีกพระอรหันต์ท่านหลุดโล่งโปร่งสบายจิตใจไร้เขตแดนเป็นอิสระเสรีโดยสมบูรณ์แล้วไม่ปรากฏว่าท่านเคยคิดจะรวมเข้ากับอะไรอะไรอีก หรือว่าได้เข้ารวมกลมกลืนไปในอะไรอะไรแล้วมีแต่ปุตุชนพยายามจะคิดให้ท่านซึ่งน่าจะเป็นเพียงเครื่องแสดงถึงเยื่อใยความอยากมีอยู่คงอยู่และความกลัวสิ้นสูนตลอดจนความขัดแย้งในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตัวออกมาเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่ต้องรีบปฏิเสธเสียตะต้นไม่ให้อามาปลกับนิพพานก็คือภาวะน้อมดิ่งดื่มดำ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 จิตแนบสนิทกับอารมณ์หนึ่งเดียวสติยิ่งจับอารมณ์ชัดเจนทำให้จิตเหมาะที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่จิตที่เคลิบเคลิม้มเลือนหายหมดความรู้สึกไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า trance เฉพาะอย่างยิ่งฌานที่สี่มีคำแสดงลักษณะที่มีสติชัดเจนว่าอุเกขาสติปาริสุทิงจะตุถังฌานังแปลว่า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 จุดๆเช่นเพื่อญาณทัศนะเพื่อเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจเพื่ออิทธิวิธีเพื่อทิพยโสาธาตุหรือเพื่อเจโตปริยาญาณเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีหลักกลางๆที่สามารถใช้วินิจฉัยได้อย่างกว้างๆทั่วๆไปสำหรับคำถามประเภทที่กล่าวข้างต้นนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะจิตที่ดื่มดมลึกซึ้งเข้าถึงสิ่งสูงเลิศเพียงใดก็ตาม หรือจะเป็นการกลมกลืนรวมเข้ากับอะไรหรือไม่ก็ตามความสาคัญอยู่ที่ว่าตราบใดยังไม่ได้ทำลายอาสวะคือเชื้อกิเลสภายในให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจสังขารคือโลกและชีวิตที่เป็นอยู่อย่างปกติธรรมดานี้ตามความจริงคือยังไม่บรรลุปัญญาวิมุตตตราบนั้นก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการบรรลุนิพพานการเข้าถึงภาวะดื่มด่าลึกซึ้งนั้น